และการปฏิบัติมานานพอที่จะยืนยันได้ว่าชีวิตของพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระโสดาบาันนั้นเป็นเหมือนอย่างที่เขียนไว้นี้จริงๆและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นมานานแล้วว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของพระอริยบุคคลจนเข้าใจแ จ, จ่มแจ้งจริงๆแล้วท่านเหล่านี้ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาสังคมทุกด้าน